พระบัญญัติแปดร้อก็ภิกษุณีใดเลาะหรือใช้ให้เลาะจีวรของภิกษุณีแล้วภายหลังภิกษุณีนั้นผู้ไม่มีอันตรายไม่เย็บไม่ควนขวายใช้พืนให้เย็บพ้น4ถึงห้าวันต้องอวิปาจิตตีเรื่องภิกษุณีทุนลนันทาจบ